2. วิปัสนาภาวนาในวงเล็บการเจริญปัญญา false, <superhero> เมื่อจิตของผู้บำเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีกำลังดีแล้วเช <oval oval valid> ่นอยู่ในระดับฌานต่างๆซึ่งจะเป็นฌานระดับใดก็ได้แม้แต่จะอยู่แค่เพียงอุปจาระสมาธิจิตของผู้บำเพ็ญ เ, เพียงก็ย่อมมีกำลัง และอยู่ในสภาพที่นิ่มนวลควรแก่การเจริญวิปัสสนาต่อไปได้อารมณ์ของวิปัสสนานั้นแตกต่างไปจากอารมณ์ของสมาธิเพราะสมาธินั้นมุ่งให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เพียงอารมณ์เดียวโดยแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นไม่นึกไม่คิดอะไรอะไร แต่วิปัสนาไม่ใช่การให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เช่นนั้นแต่เป็นจิตที่คิดใครครวนหาเหตุหาผลในสภาวะธรรมทั้งหลายและสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีแต่เพียงอย่างเดียวก็คือขัน5ซึ่งนิยมเรียกกันว่ารูปนามโดยรูปมีหนึ่งส่วนนามนั้นมีสี่ คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันห้าดังกล่าวเป็นเพียงอุปาทานขันเพราะแท้จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงสังขารธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแต่งแต่เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันสภาวะธรรมจึงทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจอุปาทานว่าเป็นตัวเป็นตน และของตนการเจริญวิปัสสนาก็โดยมีจิตพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายอันได้แก่ขันห้านั้นล้วนมีอาการเป็นพระไตรลักษ์คือเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาโดยหนึ่งอนิจจงคือความไม่เที่ยง คือสปปรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสมบัติเพชรหินดินทรายและรูปกายของเราล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่อาจจะให้ตั้งมั่นทรงอยู่ในสภาพเดิมได้เช่นคนและสัตว์เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้ว ก็มีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวและเท่าแก่จนตายไปในที่สุดไม่มีเว้นไปได้ทุกผู้คนแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพรมและเทวดาและอื่นๆสรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งที่เรียกว่าอุปาทานขันเช่นรูปกาย ล้วนแต่เป็นแร่ธาตุต่างๆมาประชุมรวมกันเป็นหน่วยเล็กๆของชีวิตขึ้นก่อนซึ่งเล็กจนตาเปล่ามองไม่เห็นเรียกกันว่าเซลล์แล้วบรรดาเซลเหล่านั้นก็มาประชุมรวมกันเป็นรูปร่างของคนและสัตว์ขึ้นซึ่งหน่วยชีวิตเล็กๆเหล่านั้นก็มีการเจริญเติบโตและแตกสลายไปแล้วเกิดของใหม่ขึ้นแทนที่อยู่ตลอดเวลา ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน 2. ทุกขังได้แก่สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังในที่นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าเป็นความทุกข์กายทุกใจเท่านั้นแต่การทุกข์กายทุกใจ ก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของทุกขังในที่นี้สรรพสิ่งทั้งหลายอันเป็นสังขารธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจที่จะทรงตัวตั้งมั่นทนทานอยู่ในสภาพนั้นๆได้ตลอดไปแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นเด็กจะให้ทรงสภาพเป็นเด็กๆ เ, เช่นนั้นตลอดไปหาได้ไหม จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนุ่มและสาวและก็เฒ่าแก่จนในที่สุดก็ต้องตายไปแม้แต่ขันที่เป็นนามธรรมอันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีสภาพทรงตัวเช่นขันที่เรียกว่าเวทนาอันได้แก่ความสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจและไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเมื่อมีอารมณ์อย่างใดดังกล่าวเกิดขึ้น และจะให้ส่งอารมณ์เช่นนั้นตลอดไปย่อมเป็นไปไม่ได้นานไปอารมณ์เช่นนั้นหรือเวทนาเช่นนั้นก็ค่อยๆจางไปแล้วเกิดอารมณ์ใหม่ชนิดอื่นขึ้นมาแทน 3. อนัตตาได้แก่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งของโดยสัพพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนแต่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเช่นรูปประขัน ยอมประกอบขึ้นด้วยแร่ธาตุต่างๆมาประชุมรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นหน่วยชีวิตเล็กๆขึ้นก่อนเรียกในทางวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์และเซลล์เหล่านั้นก็ประชุมรวมกันเป็นรูปใหม่ขึ้นจนเป็นรูปกายของคนและสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระท่านรวมเรียกยับยาบว่าเป็นธาตุสี่มาประชุมรวมกันโดยส่วนที่เป็นของแข็งมีความหนักแน่น เช่นเนื้อกระดูกเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเช่นน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําดีน้ําปัสสาวะน้ําไขข้อน้ํามูกน้ําลายรวมเรียกว่าธาตุน้ําส่วนสิ่งที่ให้พลังงานและอุณหภูมิในร่างกายเช่นความร้อนความเย็นเรียกว่าธาตุไฟ ส่วนธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวความตั้งมั่นความเคร่งความตึงและบรรดาสิ่งเคลื่อนไหวไปมาในร่างกายเรียกว่าธาตุลมโดยธาตุสี่ดังกล่าวนี้มิได้มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าธาตุอันหมายถึงแร่ธาตุในทางวิทยาศาสตร์ธาตุสี่หยับยาบเหล่านี้ได้มาประชุมรวมกันขึ้นเป็นรูปกายของคนสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย เพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อนานไปก็ย่อมเปลี่ยนแปลงแล้วแตกสลายกลับคืนไปสู่สภาพเดิมโดยส่วนที่เป็นดินก็กลับไปสู่ดินส่วนที่เป็นน้ำก็กลับไปสู่น้ำส่วนที่เป็นไฟก็กลับไปสู่ไฟส่วนที่เป็นลมก็กลับไปสู่ความเป็นลมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของคนและสัตว์ที่ไหนแต่อย่างใด จึงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นรูปกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราให้เป็นที่พึ่งอันทาวรได้สมาธิย่อมมีกรรมฐาน40เป็นอารมณ์ซึ่งผู้บำเพ็ญอาจจะใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งตามแต่ที่ถูกแกจริตนิสัยของตนก็ย่อมได้ ส่วนวิปัสสนานั้นมีแต่เพียงอย่างเดียวคือมีขันห้าเป็นอารมณ์เรียกสันส้นๆว่ามีแต่รูปกับนามเท่านั้นขันห้านั้นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมหรือสังขารธรรมอันเกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแต่ง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่ได้และไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่อย่างใดอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์จิตที่ใคร้ครวญหาเหตุหาผลในสังขารธรรมทั้งหลายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นพระไตรลักษ์คือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา และเมื่อใดที่จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเรียกว่าจิตเข้าสู่กระแสธรรมตัดกิเลสได้ปัญญาที่จะเห็นสภาพความเป็นจริงดังกล่าวไม่ใช่แต่เพียงปัญญาที่นึกคิดและคาดหมายเอาเท่านั้นแต่ย่อมมีตาวิเศษหรือตาในอย่างที่พระท่านเรียกว่า ญาณทัศนะเห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆซึ่งจิตที่ได้ผ่านการอบรมสมาธิมาจนมีกำลังดีแล้วย่อมมีพลังให้เกิดญาณทัศนะหรือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวได้เรียกกันว่าสมาธิอบรมปัญญาคือสมาธิทำให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้น และเมื่อวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้วย่อมถ่ายถอนกิเลสให้เบาบางลงจิตย่อมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสทั้งหลายไปตามลำดับสมาธิจิตก็จะยิ่งก้าวหน้าและตั้งมั่นมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิฉะนั้นทั้งสมาธิและวิปัสสนาจึงเป็นทั้งเหตุและผลของกันและกัน และอุปการะซึ่งกันและกันจะมีวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นโดยขาดกำลังสมาธิสนับสนุนไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องใช้กำลังของคณิกะสมาธิเป็นบาดฐานในระยะแรกเริ่มสมาธิจึงเปรียบเหมือนกับหินลับมีดส่วนวิปัสสนานั้นเหมือนกับมีดที่ได้ลับกับหินคมดีแล้ว ย่อมมีอำนาจถากถางตัดฟันบรรดากิเลสทั้งหลายให้ขาดและพังลงได้อันสังขารธรรมทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่อย่างใดทุกสรรพสิ่งล้วนล้วเป็นแค่ดินน้ำลมและไฟมาประชุมรวมกันชั่วคราวตามเหตุตามปัจใจเท่านั้นในเมื่อจิตได้เห็นความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตก็จะคลายจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นโดยคลายกำหนัดในลาบยศสรรเสริญสุขทั้งหลาย ความโลภความโกรธและความหลงก็จะเบาบางลงไปตามลำดับปัญญาาณจนหมดสิ้นจากกิเลสทั้งมวลบรรลุซึ่งพระอระหัตผลฉะนั้นการที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามทำสมาธิให้ได้เสียก่อนเพียงน้อยที่สุดจะต้องได้คณิกะสมาธิหากทำสมาธิยังไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสนาปัญญาขึ้นสมาธิจึงเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสนาปัญญาเท่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดแม้จะทำสมาธิจน จ, นจิตเป็นฌานได้นานถึงร้อยปีและไม่เสื่อมก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลายอันนื่งมาจากการปรุงแต่งล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามดังนี้จะเห็นได้ว่าวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นสุดยอดของการสร้างบุญบารมีโดยแท้จริงและการกระทำก็ไม่ได้เหนื่อยยากลำบาก ไม่ต้องแบกหามไม่ต้องลงทุนหรือเสียทรัพย์แต่อย่างใดแต่ก็ได้กำไรมากที่สุดเมื่อเปรียบการให้ทานเช่นกับกรวดและทรายก็เปรียบวิปัสสนาได้กับเพชรน้ําเอกซึ่งทานย่อมไม่มีทางที่จะเทียบศีลศีลก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับสมาธิและสมาธิก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับวิปัสสนา แต่ตราบใดที่เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยโดยทาทุกๆ ท, ทางเพื่อความไม่ประมาทโดยทาทั้งทานศีลและภาวนาสุดแต่โอกาสจะอำนวยให้จะถือว่าการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้กำไรมากที่สุดก็เลยทาแต่วิปัสสนาอย่างเดียว โดยไม่ยอมลงทุนทําบุญให้ทานใดๆไว้เลยเมื่อเกิดชาติหน้าเพราะเหตุที่ยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานก็เลยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีจะกินจะใช้ก็เห็นจะเจริญวิปัสนาให้ถึงฝั่งพระนิพพานไปไม่ได้เหมือนกันอันหนึ่ง พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนคนสัตว์แม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้นกระดิกก็ยังดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืนยาวถึงร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงดังกล่าวกล่าวคือ แม้ว่าอายุของผู้นั้นจะยืนยาวมานานเพียงใดก็ย่อมโมคะเสื้อเปล่าไปอีกชาติหนึ่งจัดว่าเป็นโมคะบุรุษคือบุรุษผู้ศูญย์เปล่า